ก <Book> <90. S 3> ้าวสิบตมไัยประโยคคำสั่งสองอากญาปุรบกมเร็งดูโกนหนวดกัดดมกี่สก่อนดีไปอาบน้ำสนานมเชยนดี หวีผมจุตุดูวุกอันดีโทรมานะฟนอนด์คอล์ดเชยัดีเริ่มได้แล้วพรามบินเชยันดีหยุดเธออ้ากันดีช่างมันบอดิเลย์ยัดี พูดมันออกมาจับ ป, ปันดีซื้อมันมากคแนนดีอย่าหลอกลวงเด็ดขาดเอปุดกปกะุนดัดดูอย่าสนนะเยอะปุดวักะุนดัดดูอย่าหยาบคายนะ เยปุโร่อมรียาดกะวุจริงใจเสมอนะเยลล่าปุโร่นิใจตีกะอุ่นดัลใจดีเสมอนะเยลล่าปุโร่มันชิกะอุ่นดลสุภาพเสมอนะเยลล่าปุโร่มารียาดกะอุ่นดัลกลับบ้านดีๆนะคะ มีเรือยืดตีกิ่เชีังกาวสตาร์ีอาิสตุนนดูแลตัวเองดีๆนะคะมีอากรเจ็บจางระตามาเยี่ยมเราอีกนะคะตอนนั้นเราไม่รู้ไม่ติดกันดีกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e